ก็เปจริงมันเป็นของเราอยู่แล้วะเรามีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณถึงได้มาถ้าบอกตรงๆนะไม่ต้องขอก็ได้เนี่ยต่อให้พระเจ้ากับปินะเนี่ยไม่ขอนะแต่จะข้ามแม่น้ําเนี่ยโดยตั้งใจว่าจะไปบวชกับพระเจ้าให้ได้แล้วก็เหล่าอมานี่ก็ตั้งใจอย่างนั้นจริงๆไม่จะโกหกไม่ได้หลอกลวงศรัทธามีจริงถึงไม่ตั้งจิตขออย่างเงี้ย รับรองว่าก็ข้ามน้ําได้โดยปลอดภัยแล้วก็จะได้ของจริงด้วยไม่ต้องไปบนบานสารก่าอะไรที่ไหนเลยเพราะบอกแล้วว่าเป็นสิทธิ์ที่ตัวเองมีได้เป็นได้จริงๆตามนั้นอยู่แล้วยิ่งถ้าขอก็จะยิ่งได้ชัดเจนใหญ่เลยถ้ายิ่งขอเนี่ยนะขอแบบตั้งจิตนะบอกแล้วไม่ใช่ขอแบบขอทานไม่ใช่ขอแบบคนขี้ขอไม่ใช่อย่างนั้นตรงเนี้ยหลายเ อ, อคนจํานวนมาก ยังไม่ค่อยเข้าใจประเด็นเนี้ยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้อาตมาถึงบอกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้ใเขาใจได้มันก็ไปหลงไอ้สิ่งสัตว์สิทธิที่มันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงอะ่ะก็ไปหลงอยู่อย่างนั้นน่ะ <c oughs> ต่อให้นะครนี้นะอาตมายกให้สมมติว่ามีรูปสักรูปหนึ่งเป็นรูปวาจดจะได้เป็นรูปวาดพระเจ้าเป็นรูปวาดพระเจ้าแลยคุณก็กราบไหว้คุณก็ เขารลบูชานับถืออะแล้วคุณขอคุณขอที่ขอในสิ่งที่บอกแล้วนะขอไอ้ไอที่คุณไม่ได้สะสมมาเลยนะแต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่านคุณขอในสิ่งที่คุณไม่มีการสะสมบารมีมาคุณคุณกราบไหว่อยู่ทุกวันเลยแล้วคุณก็ตั้งจิตโอ้โหนี่การาบพระเจ้าอะไรอะสวดมนต์ไหว้พระแล้วคุณก็ขอ บอกแล้วยังไงก็ไม่ได้ทํามอย่างนั้นเนี่ยผู้เจ้าท่านตัดไว้เองเลยท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครๆในโลกนี้ไม่มีคนมีทุกข์ถ้าขอกันได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่มีมีอะไรอะ่ะที่เขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณไปสารวจดูก็ได้ว่าที่นั้นน่ะทุกคนได้อย่างนั้นทุกคนจริงไหมไม่จริงใช่ไมจะมีคนที่ได้แล้วก็มีคนที่ ผิดหวังเพราะว่าไม่ได้ที่ไหนก็ได้เอราวันก็ได้ตรงที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อะรับรองเอาเข้าไปสิสักสิบคนอ่าจะได้ตามที่คนนั้นขอสักกี่คนและไอ้ที่ไม่ได้สักกี่คนถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอละขอได้จริงทุกคนต้องได้สิถูกต้องไหมอ่าแต่บอกละ ไม่ใช่เลยที่นั้นไม่ได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะบรรด o บรรดาลอะไรให้ใครได้แต่สิ่งที่บรรด o n บรรดาลให้เราได้เนี่ยคือบุญบารมีคือมรรคผลที่เราเนี่ยกระทาความดีสะสมมาจนกระทั่งมันมีมากพอมันมีถึงและถึงตามที่เราขอเหมือนกับคุณเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารไว้นะอันนี้เป็นธนาคารบุญคุณเอาเงินไปฝากไว้เนี่ย ถ้าคุณมีเงินธนาคารฝากไว้สมมุติว่าฝากไว้สักหมื่นหนึ่งพอถึงเวลาเนี่ยคุณอยากจะใช้เงินคุณก็ไปขอเบิกเข้ามาถ้าคุณขอเบิกสักหมื่นหนึ่งเขาให้คุณเบิกไหมคุณไปฝากไว้หมื่นหนึะแล้วคุณขอเบิกหมื่นหนึ่งอ้าวเขาให้เบิกแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปขอเบิกเขาสักสองหมื่นเขาให้คุณเบิกไหมเขาไม่ให้คุณหรอก เนี่ยก็เหมือนกันเขาก็ให้ได้แค่หมื่นเดียวเท่านั้นคุณจะขอเลยไปสองหมื่นเนี่ยแต่เขาให้คุณได้แค่หมื่นเดียวบุญบา ร, รมีอะไรต่างๆที่คนเราไปขอขอเนี่ยมันได้ตามสัจจะจริงตามนี้ไม่ใช่ตามอื่นถ้าคุณเข้าใจประเด็นนี้ชัดเนี่ยโอ้โหคุณจะเลิกวุ่นวายอะไรไปเยอะเลยเราก็ไม่ต้องไปโดนที่นันที่นี่หลอกให้งมงายให้ไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างงา้เงนี้ บางคนเนี่ยห้อยหลวงพ่อห้อยตะกุดห้อยตะแกงอะไรก็แล้วแต่นะโอโหเยอะแยะมากมายแล้วก็เชื่อว่าจะต้องอืป้องกันอะไรต่ออะไรเราได้คุณไปดูสิไปดไูไอ้ที่นันก็ไดะที่โรงพยาบาลมั่งหรือที่ไหนบ้างอะไอ้ที่เขาฝังศพอะไปดูเถอะบันดีห้อยคออะไรต่ออะไรเยอะแยะมันไม่จริงถึงบอกว่าเพราะมันอยู่ที่ กรรมจริงๆเลยเนี่ยกรรมวิบากกรรมที่เราสะสมไว้เนี่ยคุณสั่งสมเป็นวิบากบุญบุญก็คุ้มครองช่วยเหลือคุณคุณสั่งสมเป็นวิบากบาปเอาไว้เวลาบาปมันถึงคิวที่มันมาตามล่าคุณมันก็เล่นงานคุณตามที่คุณทําไว้สมมติว่าคุณทําบาปไว้80สิบสมมติว่ามันมาเล่นงานเราเต็มที่เลยมันก็เล่นคุณได้80สิบมันเล่นงานคุณเกินกว่านั้นไม่ได้หรอก เกินกว่าแปดสิบไม่ได้อืราะบางคนเนี่ยก ล, กลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะตายกลัวจะจนกลัวจะอะไรกะ่ะสารพัด ส, สารเพกลัวสอบตกกลัวตกงานกลัวอะไรถ้าคุณเนี่ยสะสมบุญบา ร, รมีของคุณเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันก็มาเกื้อกูลมาช่วยคุณตามจริงแต่คุณไม่สะสมเอาไว้คุณจะต้องตกงานคุณจะไงไงคุณก็ต้องตกงาน ไม่มีอย่างอื่นนะเอาอันนี้แถมมาให้เพื่อให้เราเนี่ยชัดเจนในเรื่องของบารมีต่างๆก็ปรากฏว่าเนี่ยบารมีอย่างของพระเจ้ากับปินนากับอมาตนี่ก็เนี่ยข้ามแม่น้ามาได้พอขึ้นฝั่งได้นางกพ็พบพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคโดมประทับคอยอยู่แล้วผู้ง่ายๆแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ล่วงหน้าแล้ว แล้วก็เลยมารออยู่มารออยู่คือคือรอให้พวกพระเจ้ากับปินากับอมานี่ข้ามน้ำมาแล้วก็มาเจอคือมารอมารออยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วมาดักรอไปก่อนละล่วงหน้านะด้วยทรงรู้การล่วงหน้าจึงเสด็จมารอปโปรดณที่นั้นทรงแสดงทำมาเทศนาแก่คนทั้งปวง คั้นจบการแสดงธรรมทั้งพระเจ้ากับปินะพร้อมกับอมตะหนึ่0 0ัคนออมตะติตามมา 1,000 คนก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพันธแล้วทันทีนั้นแหละคุณดูบารมีก็แล้วกันทั้งหนึ่งพันคนแล้วก็ทั้งพระเจ้ากับปินะเนี่ยนะพอได้ฟังผู้เจ้าเทศครั้งเดียวเนี่ยทั้งหนึ่งพคนนี่ได้เป็นพระโสดาบันหมด ได้เป็นหมดเลยออก พ, พันกันอีกหนึ่งสินะพระพระเจ้ากับปินาด้วยหนึ่งดังนั้นพระเจ้ากับปินาจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญขอได้ทรงโปรดให้พวกข้าพระองค์ได้บรรพชาเถิดพวกข้าพระองค์เป็นผู้ลงสู่ภพแล้วคำว่าลงสู่ภพนี่ไม่ใช่ลงไปใต้บาดาล น, นะคาว่าลงสู่ภพอันนี้นี่หมายถึงว่าเข้ากระแสละ เข้ากระแสรธรรมะแล้วนะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไปเข้ากระแสโลกโลกีแต่เข้ากระแสสู่ความเป็นโลกุตระละยิ่งฟังธรรมแล้วก็เนี่ยบา ร, รมีเก่าทำให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันกันตั้งเยอะตั้งแยะนี่เนี่ยใช่ไมยืนยันเลยว่าเห็นไหมของเก่ามีอยู่แล้วเนี่ยทันทีเลยขึ้นมาทันทีเลยเอามารับทันทีเครื่องรับ ขนาดโสดาบันก็พระพุทธเจ้าเทศให้ ฟ, ฟันปั๊บก็รับติดได้เลยเป็นพระโสดาบันได้ทันทีนั้นเราก็ขอบวชเลยขอขอพระพุทธเจ้าดีละท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดทำอันเล่าว่าดีแล้วท่านทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกเถิดพรพุทธเจ้าก็ไม่รอช้าเลยเพราะมานั่งรออยู่แล้ว ก็รู้อยู่แล้วว่าพวกนี้จะมาบวชดงั้นพอแสดงทำเสร็จพวกนี้ขอปั๊บบวชให้เลยอนุญาตเลยบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดอันนี้เราเรียกว่าบวชแบบไหนเอหิภิกขุอุปสำปทานั่นคือการบวชโดยที่พระเจ้าท่านแค่ตรัสคํานี้เท่านั้นเองก็ถือว่าได้บวชแล้วทันทีราะตอนนี้ทั้งหมดนะทั้งพระเจ้ากับปินากับอมัมมัดนี่ถือว่า ได้บวชเรียบร้อยแล้วด้วยพระพุท ธ, ธรำมรัมนี้เองทุกคนในที่นั้นก็ได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วจากนั้นพระศาสดาจึงเสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารณนครสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุเป็นจำนวนมากเอ้าวก็เป็นภิกษุแล้วเนี่เพราะฉะนั้นก็ตามกลับไปเยอะแยะเลยต่อมาภิกษุกับปินณะก็ได้รับ การอบรมสั่งสอนจากพระศาสดาที่วิหารอีกครั้งหนึ่งก็สามารถรู้แจ้งในธรรมบรรลุเป็นพระอารราณ์องค์หนึ่งในโลกฟังธรรมแค่สองครั้งแสดงว่ า, าบารมีของพระเจ้ากัปปินะเนี่ยนะพลังของศรัทธาต่างๆที่มีมานี่โอมากกว่าพวกอมาตะเยอะเลยนะคือพวกอมตมเนี่ยได้เป็นโสดาบันใช่มแล้วก็ยัง ไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแต่พระเจ้ากัปปินะเนี่ยพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วแล้วก็ได้มาฟังธรรมของพทธเจ้าต่ออีกพทธเจ้าอบรมสอนอีกพับพับพั บ, พ, บพับขึ้นไปเลยนะได้เป็นสกิทธธาได้เป็นอนาคาได้เป็นอรหันเลยทันทีเลยแค่ฟังธรรมสองครั้งไอ้ใครนะพระสาลีบุตรใช่ไหมฟังธรรมสองครั้งอ่ นั่นสิเพสาลีบุใช่ไหมพระยศร อ, อ, องเท้าทองใช่ไห ม, มได้ฟังทำสองครั้งก็บรรลุทำเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นพระอาหารหันต์เลยมีอยู่วันหนึ่งพระมหากัปปินาเถระอยู่ในที่สงัดหลีกเรนได้เกิดจิตปริวิตกว่าวเราควรไปทำอุโบสถออไปทำอุโบสถของพระเนี่ย รู้ใช่ไหมที่ทุกๆ ก, กึ่งเดือนเนี่ยจะต้องมาฟังพระปาติโมกอะก็คือมาฟังว่าทำผิดวินัยข้อไหนบ้างแล้วก็ต้องปรงอาบาัตทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมานะเนี่ยก็เกิดคิดขึ้นมาว่าตอนนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะท่านก็คิดว่าเราควรไปทำอุโบสถหรือไม่ควรไปทำสังฆกรรมหรือไม่ เพราะบัดนี้เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่งคือพูดง่ายหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสแล้วก็เอ๊ยยังจะต้องไปฟังวินัยว่าจะผิดข้อนั้นไหมจะผิดข้อนี้ไหมเพราะระดับอรหันต์แล้วจริงๆเป็นยังไงไม่มีว่าจะไปมีกิเลสแล้วก็จะไปไปเจตนาทำผิดอะไรเพราะระดับพระอรหันต์แล้วเนี่ยจริงๆไม่มีอะ ที่จะไปทําให้ผิดศีลผิดพินัยอะไรอีกจะไม่มีหมายถึงว่าโดยเจตนาเนี่ยจะไม่มีน่าจะพลาดพั้งอะไรไปบ้างนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จิตท่านเนี่ยบริสุทธิ์และไม่มีกิเลส ท, ทั้งปวงวันพอท่านคิดอย่างยี่ขึ้นมาก็เลยเอ๊จะไปฟังปฎิโมกดีไ้ยเอ่ยขนาดนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้วาระจิตของพระกัปปินะเถระจึงทรงจึงทรงทรแสดงพุทธานุภาพ เสมือนปรากฏอยู่ตรงหน้าของพระเถระแล้วตรัสว่าดูก่อนกับปิณนะถ้าพวกเธอไม่ศักกะละไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาซึ่งอุโบสถแล้วหากเป็นเช่นนี้ใครกล่าวศักกะละอ่ใครเล่าจะศักกะละเคารพนับถือบูชาซึ่งอุโบสถฉะนั้นเธอจงไปทำอุโบสถจะไม่ไปไม่ได้ จงไปทำสังฆกรรมจะไม่ไปไม่ได้ผูง่ายพู้เจ้าก็รู้แล้วว่าพระกับกบินาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วแต่บอกว่าไม่ได้จะไม่ไปร่วมสังฆกรรมเนี่ยคือไม่ไปร่วมประชุมกับบูสงไม่ได้ต้องไปเป็นอรหันต์ก็ต้องไปแล้วก็จะไปฟังวินัยแรงต่างก็ต้องไปฟังไม่ฟังไม่ได้ผูง่ายว่าไม่ได้อนันเลยนะไม่มีต่อรองเลยนะ ผู้เจ้าตรัสอันนี้เนี่ยบอกจะต้องไปไม่ไปไม่ได้ใช้คำนี้เลยวันพูดง่ายๆว่าไม่มีทางเลี่ยงอย่างอื่นเลยห้ามเลี่ยงมีอยู่อย่างเดียวก็คือป่วยหนักเท่านั้นแหละป่วยหนักก็ไปไม่ไหวเท่านัา้นถึงจะไม่ไปพระเถระได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นก็รับคำทันทีด้วยเห็นแจ้งชัดซิ่งสงสยัยหมดปริ หมดปรีวิตตกทั้งปวงพูดง่ายๆว่าตอนแรกยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะบรรลุธรรมแล้วเอ๊ะยังจะต้องไปฟังพระปฏิโมกอีกหรือเปล่าเนาะหมดสงสัยเลยว่าต้องไปฟังไม่ไปฟังไม่ได้หรือพูดง่ายๆถ้าอย่างพวกเราเนี่ยพูดพูดโดยภาษาที่บบว่าแม้ว่าเราไม่ใช่พระอรหันเรายังปฏิบัติธรรมอยู่น่าจะขั้นไหนก็แล้วแต่เราต้องรู้ความสําคัญอันนี้เลยการไป ฟังพระปฏิโมกของพระก็เหมือนกับเราเนี่ยไปตรวจศีลตามฐานนะใครศีลห้าใครศีลแปดใครศีลสี่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการตรวจศีลเราต้องไปตรวจตามศีลของเราถ้าเขามีการประชุมกันสังฆกรรมสังฆกรรมก็คือการที่สงประชุมกันแต่ส่วนคารวะถ้าก็เกิดมีการประชุมกันเอา้าเราก็ต้องไปประชุมกับเขานี่คือในฐานแบบคารวะ นนี่ให้คิดไปตามฐานของเราเองซึ่งพระวิ้าท่านตรัสไปเลยว่าไม่ได้ต้องไปสิเข้าหมู่เข้าพวกพูดง่ายว่าเข้าขาบวนการกลุ่มน่าอย่าไปแยกอย่าไปปีกเดียวอะไรครั้นต่อมาพระศาสดาได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหากัปปินณะเถระนั่งคู่บัลัง์ตั้งกายตรงดำลงสติไว้เฉพาะหน้าจึงตรัสถามเหล่าภิกษุว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเห็นความไหวหรือเอนเอียงแห่งกายของกัปปินะหรือไม่รือพูดง่ายๆท่านก็นั่งถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าทำสมาธิอยู่นะหรือว่าเข้าฌานอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็มีการนั่งนะก็นั่งตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยก็คือไม่หลีไม่หลับไม่ฟุ้งซ่านนะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ พุทธากถาภิกษุทั้งหลายวันนี้เห็นไหมดูที่นั่งแล้วเอียงซ้ายหรือเปล่าเอียงขวาหรือเปล่าหมายถึงเอนใบเอ็มาหรือเปล่าหมายถึงว่าขาดสติหรือเปล่านั่นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นท่านกับปินานี้แม้นั่งอยู่ในท่ามกลางหมูสง์หรือนั่งอยู่เพียงรูปเดียวความไหวหรือเอ็นเอียงแห่งกายท่านไม่ได้มีเลยแสดงว่า พระกัปปินะเทระเนี่ยท่านแบบว่าอะไรอ่ะเป็นอรหันต์จริงจริงอ่ะคืนตั้งแล้วมีสติตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดอ่าแล้วก็ต้องอัศลีละร่างกายก็ <Okay. S 1> ดีถึงได้ไม่ใช่แบบตัวโคง้งตัวงอตัวอะไรนานอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าให้เห็นว่าทั้งสติอ่ารู้ตัวดี แล้วก็กายก็รักษาไว้ได้ดีนั้นเรียกว่าภิกษุอื่นๆนี่รับรองกันหมดเลยยืนยันว่าเออพอผู้เจ้าตัดอย่างนี้ปับ๊บภิกษุอื่นๆรับรองเลยว่าเออจริงด้วยแฮว่าพระ ก, กัปปินาเถระนี่ไม่เคยเลยมานั่งหลังโกงมานั่งคอตกหรือว่าอะไรอ่ะนั่งเกา ย, กกกยุกุกยิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีเลย นะอันนี้น่าคิดนะน่าคิดใครอยากไปฝึกเอาเอาให้ได้นะพอพูุทธเจ้าท่านฟังอย่างนี้ใช่ไหมท่านก็ดีละภิกษุทั้งหลายก็ความไหวเอ็นเอียงแห่งกายก็ตามหรือความวันไหวกัดแกว่งแห่งจิตก็ตามย่อมไม่มีแก่ผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิ นะคือพูดง่ายพระผู้เจ้ า, าจบอกสแสดงให้เห็นว่าพระมหากัปปินะเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ฝึกอาณาปานาสติเนี่ยได้ดีอาณาปานาสติไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องแค่มานั่งหลับตาอะไรอย่างนี้เท่านั้นน ะ, ะจะเดินจงกรมใจอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าใช้กําหนดลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตนิ่งจิตสงบพอจิตสงบแล้วเนี่ยก็พิจารณากิเลส ต, ต่างๆของเรา รนะาคาโทรศมานะอะไรต่างๆพิจารณาแล้วก็ล้างทิ้งไปได้นะจนกระทั่งรู้ว่าราคะเราหมดแล้วหรือว่าเหลือน้อยก็รู้ว่าหมดแล้วหรือว่าเหลือน้อยนะหรือว่าหมดเกลี้ยงไปเลยอ่ารู้หมดราคะโทรศัโมหะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพระเจ้าท่านยืนยันว่าใครเนี่ยฝึกอาณาปานสติสมาธิท่านท่านเติมคําว่าสมาธิตามมาด้วย คำว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าความตั้งมั่นถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยฝึกอาณาปานาสติเนี่ยฝึกไปให้มากๆมากๆมากๆๆๆมากจะมีสมาธิคือความตั้งมั่นตามมาเลยแล้วก็จะทำให้เนี่ยนั่งเนิ่งอะไรเนี่ยกายก็ไม่เองเองียงแล้วก็จิตก็ไม่กวัดแกงพุทธเจ้ท่านยืนยันไว้อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการที่ท่านสอนพวกภิกษุอื่นๆให้รู้ว่าถ้าฝึกว่าอย่างนี้แล้วจะได้แบบนี้ เมื่อพระกัปปินะเถระได้ทราบเรื่องราวนี้แล้วได้ประกาศแก่เพื่อนภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดเจริญอาณาปานสติให้บริบูรณ์ด้วยดีอบรมแล้วโดยลำดับตามที่พระศาสดาทรงสอนไว้ผู้นั้นย่อมทําโลกนี้ให้สว่างสวัยเหบือนพระจันเพนออกจากกรีบเมฆฉนั้นจิตของเราผ่องใสแล้วหนออบรมดีแล้ว หาประมาณมิได้ประคองจิตไว้แล้วอยู่เป็นนิดย่อมทําทิกทั้งปวงให้สว่างสวัยทั่วผูดง่ายว่าไม่เพียงแต่ไอ้แค่นั่งกายตรงดํารงสติคงมั่นกายไม่เอ็งเอียงไอ้แค่นี้มันน้อยไปแต่สามารถที่จะฝึกทกําจนกระทั่งจิตเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสนะําหมดกิเลสได้ด้วยนะท่านก็ยืนยันเลยท่านก็ประกาศเลย แล้วพระเถระนี้ก็เที่ยวเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุกิงหนอสุกิงหนาะอ๋อก็บรรลุแล้วอนะแหมก็เลยอุทานอยู่เรื่อยเลยสุกิณ์เนอสุกิงหน อ, หนอทําให้เหล่าภิกษุที่ได้ยินต่างก็เป็นห่วงวิตกว่าท่านกับปิณะนี้คงระลึกถึงความสุขในพระราชสมบัติของตนกัมมังคือภิกษุที่ไม่รู้ว่าท่านบรรลุทำแล้วเนี่ยเห็นมาอุทานอยู่เรื่อยว่าสุกิง์นอสุกิณ์นอเนี่ย เอสงสัยนึกถึงราชสมบัติเก่าแล้วมั่งน่า น, นึกถึงเบียงวังแลจึงพากันไปกราบทูลให้พระาศาสดาทรงทราบ พ, พระาศาสดาได้รับสั่งเรียกพระกัปปินะมาถามได้รับคําตอบว่าข้าพระองค์เป่งอุทานปารัถึงความสุขในธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ปรับถึงความสุขอื่นพระเจ้าข่าพระาศาสดาจึงตรัสกับเหล่าภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกับปิณนะไม่ได้ระลึกถึงความสุขอันเกิดจากกรรมหรือความสุขอันเกิดจากราชสมบัติแต่เป็นความสุขอันเกิดจากธรรมปิติเป็นสุขของผู้ประพฤติธรรมอยู่กับปิณนะปรารบถึงอมะตะมหานิพพานจึงได้เปล่งอุทานอย่างนั้นจริงๆผู้เจ้ารู้หรือยังว่าพระกับปิณนะบรรลุธรรมแล้ว รู้แต่อันนี้ให้สังเกตนะขณะผู้เจ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยยิ่งผู้ผเจ้าตอบให้ภิกษุเหล่านั้นฟังเลยก็ได้ไม่ต้องเรียกพระเจ้ากับปินามาเลยแต่ผู้เจ้ายังต้องเรียกมาแล้วก็มาถามว่าไอ้ที่มาบอกว่าสุขเนาะสุกหนอเนี่ยสุขอะไรเนี่ยคือต้องเอาของจริงมาแล้วก็มาให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ฟังตามจริงอไม่ใช่ผู้เจ้า ยุยดีก็บอกให้ภิกษุอื่นฟังเลยบอกไปเนี่ยอาจจะไม่เชื่อก็ได้พอาพอภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ฟังจากปากของของภิกษุของพระกัปปินะเองเนี่ย<ม>ก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่ท่านไม่ได้ไปดื่มดํากับราชสมบัติเลยนะท่านดื่มดําอยู่กับธรรมปิติต่างหากละ่ะคือดื่มดําอยู่ในธรรมะต่างหาก แล้วเราวนี้ผู้เจ้าก็เลยตัดบอกอีกทีบอกบอกความจริงอีกทีหนึ่งให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้รู้เข้าไปอีกเพราะอย่างเนี้ยมันจะคลายความสงสัยความไม่เชื่อหรือว่าความอะไรอะ่ะเข้าใจผิดของภิกษุอื่นเนี่ยได้ชนิดเกลี้ยงเกลาเลยแล่ะนะพอผู้เจ้าท่านตัดอย่างนี้แล้วใช่ไหมท่านก็บอกว่า แล้วหันมาตัดถามพระเถระว่าเธอได้รับความสุขในธรรมเช่นนี้แล้วขวนขวายอบรมสั่งสอนภิกษุลูกศิษย์บ้างหรือไม่เล่าถามถามพระมหากปิตนะไม่ได้ขวนขวายสอนพระเจ้าข้าอา้าวบรรลุธรรมแล้วหลูธรรมะดีๆแต่ไม่ได้สอนภิกษุอื่นเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นกบปินะนับตั้งแต่วันนี้ไป เธอจงแสดงธรรมสั่งสอนแก่พวกภิกษุทั้งหลายเถิดุูตเจ้าก็เลยพูดง่ายว่าสั่งเลยบอกอ้าวแม่บรรลุขนาดนี้แล้วไม่สอนคนอื่นได้ไงต้องสอนพระเถระก็รับคำ ท, ำทันทีแล้วได้อบรมสั่งสอนภิกษุ 1,000 พรูปเพียงแค่การสอนครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำให้ภิกษุทั้งหมดนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือความยอดเยี่ยม สอนครั้งเดียวพมหากัปปินะสอนครั้งเดียวนะเอาภิกษุมาพันรูปเนี่ยสอนแค่ครั้งเดียวเท่านะั้นพันรูปนี้ไม่รู้พวกอมาตที่อนันมาหรือเปล่านะเนี่ยสอนครั้งเดียวเองเทศครั้งเดียวปรากฏว่าสามารถบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้ทั้งทั้งพันรูปเลยด้วยเหตุนี้พระาศาสดาทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงทรงตั้งพักมหากัปปินะ ไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการอบรมสั่งสอนพูดง่ายๆว่ายังไม่เห็นมีภิกษุรูปไหนเลยจะสอนได้ขนาดนี้เทศครั้งเดียวแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหนึ่งพันรูปเลยเอ่าผู้เจ้าที่ไปสอนอามาดด้านหนึ่งพันใช่ไหมได้เป็นพระโสดาบันเนี่ย เออผู้เจ้าก็ยังแบบว่าแต่จริงๆผู้เจ้าต้องทำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าในที่นี้เนี่ยท่านเปรียบกับภิกษุอื่นๆว่าในในบรรดาสาวกเนี่ยก็ไม่มีใครเก่งกว่าพระมหากรพินาศละ <c oughs> เอาก็ <c oughs> ก็ใช่สิจริงๆผู้เจ้าเนี่ยท่านต้องทําได้อยู่แล้วแหละแต่ว่า <c oughs> ใช่แต่ว่าอันนี้นี่เป็นการยกย่องว่าพระมหากรพินาเนี่ย ยอดเยี่ยมกับภิกษุอื่นๆดังนั้นพระเถระจึงได้ขวนขวายสอนแม้แก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยธรรมเทศนาว่าคือคราวนี้ก็เลยสอนใหญ่ละนะผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งหรือสแสวงหาประโยชน์ย่อมย่อมพิจารณาเห็นแจ้งกิจทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อันยังมาไม่ถึง เห็นได้ก่อนศัตรูซึ่งคอยแสวงหาช่องอยู่ยังไม่ทันเห็นผู้นั้นเรียกว่าผู้มีปัญญานะคนฉลาดก็จะต้องรู้่นะว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์คือผู้ง่ายต้องเห็นก่อนนะเห็นอะไรเป็นประโยชน์เห็นอะไรไม่เป็นประโยชน์ให้ได้ก่อนถึงจะเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แน่แท้ส่วนผู้ไม่มีปัญญาถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่รอดเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่ตนฟังมาแล้วเป็นเครื่องเจริญชื่อเสียงและสรรเสริญผู้มีปัญญาแม้ในเวลาที่ตนตกทุกข์ก็ย่อมได้รับความสุขเพหอะนั้นคนโง่คนไม่มีปัญญาเนี่ยเวลาตกทุกข์แล้วก็ทุกข์แต่คนที่มีปัญญาเนี่ยหรือคนฉลาดฉลาดในธรรมะเนี่นะเวลาตกทุกข์เนี่ยเขาไม่ทุกข์อะ เขามีความสุขได้เวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาแทนที่จะทุกข์มีความสุขได้สําหรับคนที่มีปัญญาไปคิดเองสัตว์ทั้งปวงที่เกิดมาแล้วในโลกย่อมตายไปทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ใครๆชีวิตนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วการร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้ว จึงไม่ทําให้เกิดผลไม่ทําให้เกิดความสัตย์เสริญสมณะและพราหมณ์ไม่สัรเสริญเลยการร้องไห้ย่อมเบียดเบียน ด, ดวงตาและร่างกายทําให้ผิวพรรณเสื่อมกําลังเสื่อมและความคิดเสื่อมรั้งแต่จะทําให้ศัตรูมีจิตยินดีส่วนมิตรพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยหรือผู้อง่ายว่ามาร้องห่มร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคนที่ไม่ชอบเรามันก็ ยิ่งเป็นสุขอ่ะส่วนคนที่ชอบเราเนี่ยนะมาร่วมงานศพด้วยมาอะไรด้วยพลอยเป็นทุกข์ตามเราไปด้วยนะท่านก็บอกว่าไม่มีประโยชน์เลยมาร้องไห้ให้คนที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลพึงปรารถนาเข้าหาผู้เป็นนักปราดผู้เป็นปหูสูตรให้อยู่ในตระกูลของตนเพราะกิจทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยกําลังแห่งปัญญาของนักปราด และพหูสูตรเท่านั้นเหมือนดังข้ามแม่น้ําใหญ่ที่น้ําเต็มฝั่งได้ด้วยเรือฉะนั้นนะท่านก็เนี่ยกล่าวสิ่งเหล่านี้สอนภิกษุณีนะพวกพวกผู้หญิงชอบร้องไห้ท่า <c oughs> นก็เลยสอนอย่าไปร้องไห้เศร้าโศกแหมเจออุปสรรคเจอปัญหานั่นแล้วก็มาเที่ยวมาทุกมาอะไรท่านบอกคนฉลาดไม่ต้องมาทุกทึกอะไรแล้ว นะเดี๋ยวมันก็หาทางหาวิธีการที่จะแก้ไขไปจนได้นะสรุปแล้วเรื่องนี้ให้เห็นถึงเรื่องของพลังศรัทธานะที่ทำให้ท่านบรรลุได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะเอามาสอนคนอื่นเนี่ยให้บรรลุได้ด้วยจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความยอดเยี่ยมที่สุดในภิกษุทั้งหมดของพระพุทธเจ้า นะพระมหากปินาเนี่ยเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการแสดงธรรมหรือว่าสอนธรรมะให้คนอื่นเนี่ยบรรลุธรรมได้อ่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาของพระ อ, อรหันต์รูปหนึ่งอววันนี้คงพอเท่านี้นะ